เปิดตำนาน5สถานที่ตั้งเมืองลับแลเสียงแววดังระคังหลอนบนภูกระดึงเมืองลับแลดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ที่ใครหลายคนเคยได้ยินแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าแท้จริงแล้วเมืองลับแลตั้งอยู่ที่ใดมีอยู่จริงหรือไม่มีความเชื่อมานานแล้วว่าเมืองลับแลอยู่ซ้อนมิติกับโลกมนุษย์โดยเฉพาะบริเวณภูเขาลูกใ ห, ใหญ่ในป่าลึกถ้ำ ซึ่งม้จะมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับเมืองลับแลหนึ่งในนั้นคือภูกระดึงจังหวัดเลยเส้นทางแห่งธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงชวนให้สัมผัสแต่ภายใต้สถานที่อันโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและแมกไม้อันสวยงามย่อมมีตำนานที่มาอันลึกลับภูกระดึงแปลว่าภูแห่งระครังเพราะคำว่ากระดึงมาจากกระดิง่งชาวจังหวัดเลยเรียกว่าระครังใหญ่ แต่ก่อนจะเป็นชื่อภูกระดึงมีเรื่องเล่าอันณ่พิศวงว่าชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงระฆังแว่วดังมาจากภูเขาเชื่อว่าบริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองลับแลหรือเป็นหมู่บ้านผีบังบดซึ่งมักจะได้ยินเสียงระฆังเฉพาะวันพระเท่านั้นจนปู่ย่าตายายได้บอกเล่ามาว่าเป็นเสียงระฆังของพระอินทร์สมหมู่บ้านผีบังบด ท, ที่ว่านั้นคนธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้หากเข้าใกล้เมื่อใด หมู่บ้านก็จะอันตรธานหายไปทันทีและจะกลายเป็นป่าแทนเมื่อประมาณปี2348มีพรานป่าคนหนึ่งเดินทางมาจากนครจำปาสักดิ์ประเทศลาวได้เดินเท้ามาตามป่าเรื่อยๆแล้วมาพบกับพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์เขาจึงชักชวนญาติมิตรให้มาปักหลักอยู่ที่นี่ซึ่งก็คือผานกเขาบริเวณที่นักท่องเที่ยวไปต่อรถเพื่อขึ้นภูกระดึงนั่นเองวันหนึ่ง ในพรานได้ออกล่าสัตว์ไปจนถึงภูเขาลูกหนึ่งสิ่งที่เขาเห็นทำให้ตกตะลึงและรู้สึกแปลกใจเพราะภาพความกว้างใหญ่ไพศาลของป่าได้ปรากฏอยู่ต่อนหน้าอีกทั้งสัตว์ป่าหลากหลายชนิดต่างพากันหากินอาหารแต่เมื่อเห็นนายพรานสัตว์ป่าไม่ได้ตกใจกลัวด้วยสัญชาตญาณของพรานเม่เห็นลักษณะของสัตว์ที่ไม่ตื่นกลัวเลยเขาจึงไม่กล้ายิงหรือล่าสัตว์เพราะดูแลผิดปกติจึงเชื่อว่า ภูเขาแห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาจึงงดเว้นการล่าสัตว์ที่ป่าแห่งนี้แล้วกลับมาเล่าเรื่องราวที่พบเจอให้กับญาติญาติฟังต่อมาเรื่องราวของภูเขาแห่งนี้ก็ได้ถูกเปิดเผยและกลายเป็นภูกระดึงอุทยานแห่งชาติที่มากไปด้วยธรรมชาติและสีสันของต้นไม้รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิดดังที่เห็นกันในปัจจุบันส่วนเรื่องราวลี้ลับของเมืองลับแลและเสียงระฆังอันแว่วดังมาจากแดนไกล ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่บอกเล่ากันมารุ่นสู่รุ่นภูกระดึงจึงเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะนอกจากจะเป็นที่ตั้งของเมืองลับแลแ ล, แล้วยังมีเทวาอารักษ์คอยดูแลรักษาอยู่หากใครไปเยือนที่ภูกระดึงก็อย่าได้ท้าทายหรือหาเส้นทางที่จะเข้าไปเมืองลับแลเด็ดขาดเพราะเรื่องเร้นลับไม่ได้มีไว้ให้ล้อเล่นเสียงปริศนาในถ้ำส ม, มนทาที่มาแห่งความเชื่อเมืองลับแล บนเทือกเขาภูพานที่พาดผ่านมาถึงบริเวณของหมู่บ้านผาสุขอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของชาลับแลนั่นคือถ้ำสมนทาหรือว่าถ้ำสุนทาจะมีความเป็นมาอย่างยาวนานผู้เฒ่าผู้แก่ในละแวกนี้ล้วนทราบกันดีถึงเรื่องราวความเป็นมาและสิ่งเร้นลับที่อยู่ภายในถ้ำสมนทาว่ามันคือประตูมิติแห่งกาลเวลา ที่รอคอยให้ถึงคืนจันเพนเสียงลึกลับปริศนาต่างๆจึงดังลอดออกมาจากในถ้ำาราวกับว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของอีกหนึ่งภพภูมิที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อนั่นคือเมืองลับแลหรือเมืองบังบทในสมัยโบราณมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่า ว, ว่าคืนวันเพนมักจะมีเสียงผู้คนจานวนหนึ่งพูดคุยสนทนากันอย่างสนุกสนานบางกระหัวเราะเสียงดังกังวล เล็ดลอดออกมาจากในถ้ำเป็นระยะๆะะทําเอาชาวบ้านแถวนั้นต้องขนลุกไปตามๆกันภาษาที่พวกเขาใช้สนทนาพูดคุยเป็นภาษาครึ่งเทพครึ่งมนุษย์ที่ฟังแล้วอาจรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ชวนให้หลอนทุกครั้งที่ได้ยินวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงดนตรีเป็นเสียงคล้องเสียงกลองบรรเลงอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะเสียงแคนที่แว่วดังมาแต่ไกลฟังแล้วเย็นยะเยือกยิ่งนะักแต่จะหาต้นทางของเสียงที่มานั้น ก็ยากเหลือเกินเพราะไม่พบเจอว่ามันมาจากจุดใดในถ้ำบางคืนก็จะมีเหตุการณ์ประหลาดเป็นลำแสงที่สาดส่องออกมาจากบริเวณถ้ำซึ่งไม่รู้ว่าแสงนั้นคือสิ่งใดกันแน่ความเร้นรับอัศจรรย์ของถ้ำสมนทาจังหวัดอุดรธานีเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณแม้ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าในถ้ำสมนทาอาจเป็นประตูมิติที่จะเข้าไปสู่เมืองลับแล ถ้ำระครังจังหวัดลบบุรีประตูแห่งเมืองลับแลลบบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมีเรื่องเล่าลี้ลับมากมายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆหนึ่งในนั้นคือถ้ำระครังเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในวัดถ้ำตะโกพุทธโสภาอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นทางประตูเข้าไปสู่เมืองลับแลความลี้ลับของถ้ำแห่งนี้ชวนให้สะพรึงอยู่ไม่น้อย แม้ประวัติความเป็นมาหรือคําบอกเล่าต่างๆจะออกไปในทํานองเดียวกันว่าในสมัยก่อนชาวบ้านสามารถติดต่อหรือเดินทางไปมาหาสู่กับชาวเมืองลับแลผ่านถ้าระครังแห่งนี้ได้ตามปกติก็ตามแต่เสียงดนตรีอันเย็นยะเยือกที่แว่วดังมาเป็นระยะระยะจากในถ้ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวงก็ชวนขนลุกอยู่ไม่น้อยมีเรื่องเล่า ว, ว่าในอดีตชาวบ้านเขาสมอคอนและชาวเมืองลับแลต่างสนิทสนมกัน มีการติดต่อไปมาหาสู่กันได้ภายในถ้ำระฆังก็มีข้าวของเครื่องใช้ที่สวยงามจำนวนมากเมื่อถึงงานบุญทีไรชาวบ้านก็จะมาขอยืมเครื่องใช้จากชาวเมืองลับแลเพื่อไปใช้ในงานบุญอยู่เสมอแต่ในเวลาต่อมาอานมีการขอยืมไปแล้วไม่คืนทำให้เกิดความขุนเคืองใจต่อกันนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวเมืองลับแลและชาวเขาสมอคอก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย ยังมีเรื่องเล่ากันเกี่ยวกับเมืองลับแลที่ถ้ำระฆังว่าในสมัยโบราณทุกวันพระชาวบ้านเขาสมอคอนจะได้ยินเสียงการตีคองร้องเป่าเป็นเสียงกรองบ้างเสียงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆแว่วดังออกมาจากถ้ำระฆังบางคืนยังเห็นแสงบางอย่างเป็นดวงแก้วสุกใสลอยออกมาจากปล่องถ้ำอยู่กลางอากาศบนขวารอบๆเขาสมอคอบางคนเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุสำหรับทุกคืนวันพระ ประตูเมืองลับแลที่ถ้ำระครังจะเปิดเพื่อให้ชาวเมืองลับแลได้ออกมาท่องเที่ยวยังโลกมนุษย์แม้ปัจจุบันเรื่องเล่านี้ก็ยังไม่เลือนหายเพราะความเชื่อยังอยู่ในความทรงจําให้ลูกหลานได้พิจารณากันเองว่าเมืองลับแลในถ้ำระครังนั้นมีอยู่จริงตามคําบอกเล่าของคนรุ่นเก่าหรือไม่แววเสียงมโหดีปีพาดจากเมืองลับแลที่ดงละครนะครนายกความมืดทึบของต้นไม้จํานวนมากที่เรียกว่า เมืองโบราณดงละครในพื้นที่จังหวัดนครนายกสร้างความน่าสะพรึงให้กับผู้พบเห็นอย่างมากในสมัยก่อนเพราะมากไปด้วยความเชื่อและคำบอกเล่าว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเมืองลับแลเสียงดนตรีปีพาดที่บรรเลงแววมากับสายลมในคืนวันพระจรึงชวนให้ขนลุกไปตามๆกันเพราะเชื่อว่าเสียงดนตรีปริศ น, นามาจากเมืองลับแลแม้ในปัจจุบันกลิ่นอายของเมืองโบราณดงละครก็ยังคละคลุ้งอยู่เช่นนั้น อาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนเมืองลับแลยังคงก้องอยู่ในความรู้สึกหากใครที่เคยได้เข้ามาสัมผัสก็จะรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆเมืองโบราณดงละครเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ร่ำลือกันว่ามีเมืองลับแลซ่อนอยู่กล่าวกันว่าในวันพระเมื่อยามพระเพล่มักจะได้ยินเสียงผู้คนทั้งหญิงและชายเด็กเล็กพูดคุยกันบางคืนก็เป็นเสียงดนตรีไทยมโหรีปีพาด หรือได้กลิ่นดอกไม้หอมอบอวลมาจากในป่าเชื่อว่าเป็นชาวเมืองลับแลที่กําลังเก็บดอกไม้มาบูชาพระนั่นเองเพราะเชื่อว่าในทุกวันพระประตูมิติที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเมืองลับแลจะเปิดออกทําให้มนุษย์อาจได้ยินเสียงหรือสัมผัสกับสิ่งเร้นลับเหล่านี้ได้ชาวบ้านในละแวกนี้มีความเชื่อมาแต่เดิมว่าบริเวณดงละครเป็นที่ตั้งของเมืองลับแลที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ ลักษณะาการแต่งกายของชาวเมืองลับแลคล้ายคลึงกับมนุษย์มีการทำไร่ไถนาเลี้ยงสัตว์หรือทำหัตกรรมต่างๆสำหรับที่มาของชื่อดงละครมาจากตำนานพื้นบ้านที่เล่าขานกันมาว่าในคืนวันเพ็ญชาวบ้านในแถบนี้มักจะได้ยินเสียงปีพาดแว่วดังตามป่ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่สามารถหาต้นต่อได้ว่าดังมาจากที่ใดทำให้ชาวบ้านขนานนามว่าดงละครคือดงที่มีเสียงละครนั่นเอง ตำนานแห่งสัจจวาจาที่เมืองลับแหลอุตรดิตตความเชื่อเมืองลับแลที่มีมาอย่างยาวนานในอำเภอลับแหลจังหวัดอุตรดิต์อันสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาสัจจะของคนในเมืองลับแหลแม้พูดเท็จเพียงหนเดียวก็ต้องให้ออกจากหมู่บ้านไปโดยเฉพาะชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในเมืองลับแหลส่วนใหญ่มักจะไม่รักษาสัจจะจึงเป็นเหตุให้ต้องทำตามกฎคือการออกจากหมู่บ้านทำให้เป็นเมืองที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่อาศัยอยู่ ผู้หญิงแต่ละคนก็ล้วนผ่านการมีสามีมาทั้งนั้นเมืองลับแลจึงได้อีกชื่อหนึ่งว่าเมืองแม่ไม้ตำนานของอำเภอเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิต์เป็นอีกหนึ่งตำนานที่เลื่องลือเกี่ยวกับเมืองลับแลจนทําให้ในปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ถูขนานนามว่าเมืองลับแลนานมาแล้วมีชายหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าไปในป่าเขาเห็นหญิงสาวกลุ่มหนึ่งมีหน้าตาสดสวยเดินออกมาจากในป่าหญิงเหล่านี้ได้เอาใบไม้ที่ถือมา นำไปซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองชายหนุ่มผู้นี้แอบดูอยู่ก็เกิดความสงสัยว่าใบไม้นั้นคือสิ่งใดกันเขาจึงหยิบมาหนึ่งใบเมื่อหญิงสาวเหล่านี้กลับมาจากในเมืองก็พากันมาหาใบไม้ตามจุดต่างๆที่ตนได้ซุกซ่อนไว้คนที่เจอใบไม้ก็เดินเข้าไปในป่าแล้วก็หายลับไปกับตาเชื่อว่าใบไม้นั้นก็คือกุญแจที่จะเข้าไปยังเมืองอันลึกลับแต่ปรากฏว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งที่ไม่พบใบไม้ของตน เาชายหนุ่มผู้นั้นได้แอบหยิบไปนั่นเองเมื่อเขาแอบเห็นท่าทางของนางที่เป็นกังวลอย่างมากเขาจึงออกมาจากที่ซ่อนแล้วคืนใบไม้ให้เธอแต่ก็มีข้อแม้ว่าเขาจะขอติดตามเธอไปยังเมืองอันลึกลับแห่งนั้นเพราะเขาเชื่อว่าเธอและพเพื่อนๆของเธอเป็นชาวเมืองลับแลอีกทั้งตัวเขาเองก็ปรารถนาอยากไปเยือนเมืองลับแลสักครั้งหญิงสาวผู้นี้ไม่มีทางเลือกจึงได้ยินยอมให้ชายหนุ่มตามเขาไปด้วยเมื่อเข้าไปในเมืองแล้วชายหนุ่มก็เห็นว่า ทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงอยู่อาศัยกันทั้งนั้นเธอผู้นี้จึงเล่าว่าหมู่บ้านของพวกเธอเป็นคนมีศีลธรรมถือสัจจวาจาไม่พูดปดหากใครที่ทำผิดก็ต้องออกจากเมืองในทันทีโดยไม่มีข้อแม้และสาเหตุที่ทำให้เมืองนี้มีแต่ผู้หญิงก็เพราะพวกผู้ชายไม่ค่อยรักษาสัจจะทำให้ต้องออกจากหมู่บ้านไปนั่นเองต่อมาหญิงสาวเมืองรับแลจึงพาชายหนุ่มจากเมืองมนุษย์ไปพบกับบรรดาของตนและนานวันเข้าเขาก็หลงรักเธอ จึงขออาศัยอยู่ที่นี่และขออยู่กินกับเธอบรรดาของเธอก็ยินยอมให้ทั้งสองแต่งงานกันแต่ต้องปฏิบัติตามกฎของที่นี่คือต้องรักษาศีลและห้ามพูดปดโดยเด็ดขาดหลังจากนั้นทั้งสองได้แต่งงานกันและมีบุตรหนึ่งคนอยู่มาวันหนึ่งลูกของเขาร้องไห้เพราะภรรยาไม่อยู่บ้านด้วยความไม่ระมัดระวังและอยากให้ลูกหยุดร้องไห้เขาจึงโกหกลูกตัวเองว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วขนาดนั้นแม่ยายของเขาได้ยินพอดี เมื่อลูกสาวกลับมาจึงบอกให้ทราบ ว, ว่าลูกเขยได้พูดปลดมดเทสฝ่ายภรรยาก็เสียใจมากเพราะสามีไม่รักสาวาจาทำให้ชายหนุ่มต้องออกไปจากหมู่บ้านตามกฎในวันที่จะส่งสามีนั่นเองเธอได้หาสเสบียงอาหารมาให้เขาพร้อมกับนาหัวกระมิ่นใส่ลงไปในย่ามแล้วก็พาสามีออกจากหมู่บ้านบอกทางที่จะเดินออกไปชายหนุ่มจึงเดินไปตามทางแต่ระหว่างนั้นเขารู้สึกว่าย่ามที่ใส่อาหารและหัวกระมิ่นหนักมากขึ้น เขาจึงตัดสินใจทิ้งหัวขมิ้นที่ภรรยาใส่ให้มาเหลือเพียงแค่งแง่งเดียวเท่านั้นเมื่อถึงหมู่บ้านญานมิตรต่างก็สงสัยว่าเขาหายไปไหนเขาจึงเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่าไปอยู่เมืองลับแลมาและภรรยาก็ให้ขมิ้นติดตัวมาด้วยเหลือเพียงแง่งเดียวที่ยังอยู่ในย่ามเขาจึงหยิบขมิ้นออกมาปรากฏว่ากลายเป็นทองคําแท่งเขารู้สึกเสียดายมากจึงได้เดินทางย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อหาหัวขมิ้นแต่ก็สายเกินไปเพราะขมิ้นได้งอกเป็นต้นแล้ว แม้จะขุดดูก็พบแต่งแง่งขมิ้นที่ไม่มีสีเหลืองเช่นเคยในที่สุดชายผู้นี้ก็ต้องเดินทางกลับบ้านของตนเพราะพยายามกลับเข้าไปในเมืองลับแลเท่าไหร่ก็ไม่สามารถไปได้ตำนานความเป็นมาของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นตำนานที่เก่าแก่โบราณร้อยเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจว่าเหตุเช่นไหนเมืองลับแลจึงเรียกว่าเมืองแม่ไม้อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้คนที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ตระหนักถึงการรักษาสัจวาจาของตน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ต่างๆในประเทศไทยที่เชื่อว่าเป็นประตูทางเข้าออกของเมืองลับแลส่วนมากเป็นภูเขาป่าลึกถ้ำเช่นบริเวณเขาวังสะดึงจังหวัดราชบุรีบริเวณภูหลังกาจังหวัดนครพนมที่เชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของชาวลับแลบริเวณภูบั ว, วจังหวัดหนองคายที่เป็นทางเข้าออกของเมืองลับแลและที่อื่นๆอีกมากคุณละ่ะเชื่อหรือเปล่าว่าเมืองลับแลนั้นมีอยู่จริง คนรอบตัวคุณเคยไปสถานที่เหล่านั้นไหมหรือเคยได้ยินเรื่องเล่าจากที่ไหนบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยขอบคุณครับ